ف َ م َ ل َ م ن و َ ل ي م ِ ن ب َ ع د ِ ه و َ ج َ ر َ ا ل ظ َّ ا ل م ِ ي ن َ لَمَّا ر َ أ و ج ر ا ل ظ ا ل م ي ن ل م ا ر أ و و َ ت َ ر َ و ُ م يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خ َ ا ش ِ ع ِ ي ن َ و َ ت َ ر َ ه ُ م ْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خ َ ا ش ِ ع ِ ي ن َ خ َ ا ش ِ ع ِ ي ن َ مِنَ ا ل ذ ُ ل ل ِ خ َ ا ِ ع ِ ي ن َ مِنَ ا ل ُ ل ِ ي َ ي َ ظ ُ ر و ن َ مِنْ ط َ ر ف ٍ خ َ ا ف ِ ي ٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ا ل خ َ ا س ِ ر ي ن و ق ا ل ا ل ذ ِ ي ن آ م ن و ا إ ن ا ل خ ا س ر ِ ي ن َ الذين خسروا أ ن ف س ه م وليهم يوم ا ق ي ا م ة ألا إن ا ل ظ ا ل م ي ن في عذابٍ. ألا إن ا ل ظ ا ل م ي ن في عذابٍ. تجيبوا لربكم من قبل من قبل บ ن ي มิ่งกั ل ลื ر เอียติเ ل ียร์ยุมุ ي ล ت ي มรดเดลุมินอัลล Al-Filah. من ا م ل ر َ ه رحمة ف ر ح ة بها. وإن تصبهم س ع ي م بما قد ا ئ ذ وإن تصبهم س ي ا بما قد م ت أيدهم.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 ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا ه ا د ي ه له وشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له و ش ه د ا أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك لما ت ا ل ل ه ا ل تما تمن ش ر ما خلق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 و ่ ف ฟิ ي ีในสัมย ف ว ي าฟิน ر ในบัตริสุบฮานุลลาห์ خلق ه و ีวรี ف าหนับซีฮีวารีนาตอาร์ซีฮ حي ي ا ق ي و م ب ر ح م ت ك ก أ س ت غ ي ث أ ص ل ح ل ي ش أ ن ي ك ل ل ه و َ ل ا ت ك ل ن ي إ ل ى ن ف س ت ر ف ع ي ن ح س ب ا ل ل ه و َ عمالوكل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 له ا ل م ل ك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องที่ร่วมนมารสุบฮ์ที่มัสยิดอันวาิสุนนะที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการ สวรรค์นในบ้านนะครับที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับเลาทำดุลยแล้วด้วยความเมตตาของอัลลอสุภาห์นูตะลาที่อัลลอให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ดูอาบทแรกที่ทุกคนที่เข้าใจอิสลามหรือเข้าใจสุนานะนบีเขาจะอ่านดูอากันบนที่นอนนะครับอ่านดูอาไปด้วยแล้วก็เอามือเนี่ยลูบหน้าเนี่ย กับรูปหน้าเนี่ยเป็นซุน่านบีครับแล้วก็อ่านด้วยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดอัลฮยานะบาดามะอามะตานะไวไลฮินอูชุลถ้าลุกขึ้นมาตาหัดยุทเนี่ยก็มีด้วยอ่านอีอัลลอฮอักบรสเทียวอัลฮัมดุลิลลาฮสบเทียวสุบฮานัลลอฮ อีกสิบเที่ยว س ب ح านันมลรกินกุดดูสิบเที่ยวอัสตักรรุ่ลอิบเที่ยวลาอิละฮ์อิลลัลล อ, อสิบเที่ยวอัลลอฮนีออูบิมินีกวดีกีอยูมิลกิยามะอีกสิบเที่ยวแล้วมีถวาบทอื่นๆ อ, อีกไม่้อ้แล้วก็ข้าวห้องน้าอย่าลืมนะข้าห้องน้ำเนี่ยหลายคนล้ลมในห้องน้าก็มีบางทีรีบ ไม่ได้อ่านดวงอาไม่ได้เข้าห้องน้ําด้วยที่ท่านนาบีสอนคือเท้าเท้าซ้ายพนลมในห้องน้ำนี่เพราะมันห้องน้ําเป็นที่อยู่ของไซตตอนนี่นบีเล่าให้เราฟังแบบชัดเจนเลยะท่านเข้าห้องน้ําต้องเข้าด้วยมีสตินะครับเข้าพร้อมกับดวงอาพร้อมด้วยเท้าซ้ายถ้าไม่อ่านดวงอาเนี่ยซตตอนอยู่ในห้องเนี่ย แกล้งเราได้ยินเสียงอาจาร์แล้วนะหรือว่าปุกนาฬิกาปุกผูะเจ้าลุกขึ้นมาแต่ฮัยุดเนี่ยไซตตอนไม่อยากให้ขึ้นหรอกมันก็จะเอามือเนี่ยมาลูบตั้งแต่ศีรษะมันลูบดีนะเองนอนไปเนอะ ย, ยังมีเวลาอีกนะมันทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้เราทำความดี ในคุณอานอธิบายบอกว่าย่าสุดดูนะอันซาบิลละมันหักมันกัดกัน้นมันสกัดกัน้นไม่ให้ผู้คนเนี่ยเข้าหาอัลลอฮ์ทางซ้ายทางขวาข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังมันทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้มนุษย์เนี่ยทำความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความดีด้านอามัลอิบะดะนะครับฉนันเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่าถ้าจะตั้ ง, งใจจุรขึ้นนมาตะคัดยุดเนี่ ต้องทำใจต้องขออวยาต่ออัลลอฮ์เยอะๆนะครับขอบคุณอัลลอ์นะครับที่เราทบทวนอัลกุรอานและนั่งอยู่ที่บ้านของอัลลอ์เนี่ยพี่น้องอัลลอ์ให้สีอย่างนะคนที่นั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยนั่งอ่านกุรอานแบบตะดบบุรนแบบวิเคราะห์แบบเข้าใจความหมายเนี่ยอัลล์ให้สีอย่างหนึ่ง Allah จะประทานส ก, กี่นะความสงบทางใจสองรหำมะความเมตตาอันที่สาม Allah จะให้มาลายการลงมาห้อมล้อมนั่งห้อมล้อมเนี่ยไม่ให้ใช้ตอนนี้เข้ามาเรื่องที่สี่เนี่ย Allah จะเล่าเรื่องของเราเนี่ยที่เรานั่ง อ่านคุรานดูศัพ์อัลกุรอานคำแปลกุรานให้กับมาลายกิกาที่อยู่ข้งรอบรอบรอบรอบาารอะไรรอบรอบอัลลอฮ์เนี่ยให้มาลายิกาฟังวัน ด, ดูนั้นบ่าวของฉันนี่เขาทําอะไรทไออําไมอัลลอฮ์จึงเล่าเพราะว่าวันที่อัลลอฮ์สร้างอาดามมาเนี่ยมาลายิกาก็นําเสนอว่าจะสร้างมาทําอะไรละอาดัมเนี่ย ฉันอยู่กับยินมาก่อนมันดือ้อเลากว่าฉันรู้สิ่งที่ท่านไม่รู้เ้าก็พอเรานั่งประชุมกันในมัสยิดนั่งอ่านกุรานในมัสยิดเราอ่าดูดู ด, ดูที่เองบอม่มจะมาทะเลาะกันไม่ใช่แล้วใครหน้าแตก <laughs> มารดาิกาก็หน้าแตกฉะนั้นรักษาอามนออานสอนแล้วนี่เอาไว้จนกว่าจะอินอาลิลลาว์อินอัลิลัยฮิรรจ วันนี้มาถึงอายะสูรอสุรอสูรอนี่แปลว่าอะไรต้องนึกความหมายด้วยนะประชุมปรึกษาหารือกันเราทำยางถ้าเราทำล้าก็ทำอยู่ลิลาแล้วกุรอารนนี่ทุกอายะนี่มีความหมายหมดเลยนะแล้วมันเกี่ยวข้องกับตัวเราทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งอื่นเลยเกี่ยวกับตัวเราทั้งนั้นนะเพราะ อ, อลัลลอ์นี่เป็นห่วง ทรงอัลกุรอานมาเป็นทางนามสำหรับชีวิตทรงนบีมามาอธิบายโดยการปฏิบัตินะครับและคนที่ปฏิบัติ ต, ตามนาบีนะสำเร็จหมดแล้วในอดีตนะครับในยุคสฮฮะบะของท่านนาบีแล้วก็อลัลลอ์เนี่ยเมตตามนุสนะเอ็นดูมนุษย์โดยกันประวิงเวลาเอาไว้ไม่รีบลงโทษคนที่ทำอะไรผิดเนีย่ยดีหรือไม่ดีดีมากครับ ประวิงเวลาเอาไว้ไม่รีบลงโทษเหมือนคนในสมัยก่อนเนี่ยประวิงเวลาเอาไว้ก็นหนึ่งเพื่อให้คนที่ทำผิดเนี่ยได้สำนึกตัวได้แก้ไขได้ปรับปรุงแล้วก็หันมาเรียนอัลกุรอานมาเรียนาศาสนามาเรียนฮะ ด, ดีสเนี่ยจะได้แก้ไขจะปรับปรุงให้ตั้งสี่ข้อเ น, นี่ยนะฉะนั้นไอ้ีข้ออันนี้แหละ ที่ท่านนบีบอกว่าประคองโลกดุลยาใบนี้ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปก็อุลมามะก็แนะนําอีกนะครับสี่ขอ้อมัใช่ตรงนี้รนเรานั่นอย่างอลัอลอลัลกุรอานกิตาบาุลลอห์ลงดูอัลลอฮ์หมนเลยนะกิตาบาุลลอห์ประคองโลกใบนี้ให้อยู่รอซูลุลลอห์ประคองโลกใบนี้ให้อยู่มาถึงซุนนะนบีนะประคองโลกใบนี้ให้อยู่แล้วก็กิตอ่าใบุลลอห์ ประคองโลกใบนี้ให้อยู่แล้วก็ซาลาตุลลอนามาดเนี่ยประคองโลกใบนี้ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปดะงนั้นอยู่ในหลกักการอิสลามหมดเลยอะโลกใบนี้มีชีวิตอยู่ได้เพราะอิสลามและคนที่จะไปสวรรค์ก็คือคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นนอกนั้นไม่มีสิทธิ์หรอกครับอ่ายิ่งอ่านกุรานไปยิ่งเจอนะครับเอาวันนี้มา มาถึงอายาที่44ทำดูลิลหลขอทบทวนอายาที่43นะครับวาลมับรอวะกฟรออินนัดลิกะลมินอาซมิลอมูสองเรื่องดีดีมากนะครับ ผู้ใ ด, ดที่อดทนทําไมเอาลอยเตือนเรื่องการอดทนเพราะอดทนเป็นอามันศาสนาที่ดีที่สุดถ้าไม่อดทนเนี่ยมาสู่เราก็ไม่ไหวมันสร้างฟังตับซีดก็ไม่ได้มาสอนก็สอนไม่ได้ผมมาคืนกักบดึกประมาณสี่ทุ่มกับห้าทุ่มอ่ะรออายุแปดสิบนะก็ขอบคุณก็รอร อ, อให้แข็งแรงยั่วดี ต้องนอบน้อมถ่อมตอนต่อตอัลลอฮสุบฮานาฮูวะตาลาใครที่อดทนผู้ใดที่อดทนแล้วก็ให้อภัยทำไมต้องพูด ก, การให้อภัยเพราะทำงานศาสนานี่คนต่อว่าคนชมมีไหมมีอย่างพันคนเนี่ยชมสักห0บดาสหะเ0้าร้อยอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่เขาไม่เอาซู น, าน่านาดีกั น, น่ม ฉันน่ต้องอดทนฉะนั้นอันกุราอานจะเล่าเตือนใครที่ซอบารอวากอฟารอแล้วก็ให้อภัยอดทนแท้จริงงานอดทนเรืองานให้อภัยนั้นเป็นงานที่อุมูเป็นกิจการที่ที่หนักหนักอื้องเงแต่ถ้าทำได้ดีไหมมีรางวาัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะอาวันนี้นะครับมาญาติที่44 وَمَن يُضَلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِوَالِيٌّ مِن, من بَعْدِ وَتَرَضَّ ا ل ِ م ِ ي ن لَمَّا رَأَوْلَ عَذَابَ يَقُولُنَ هَلْ إلَى ِ مَرَدِّ مِن ْ سَبِيلِ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ م ُ و َ ل ِ ي ٌّ مِن ب َ ع ْ د ِ و َ ت َ ر َ ض الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأوا َ الْعَذَابَ يَقُولُونَ ฮัลอิลามาร ด, ดิมนินซะบีลอัลลอฮุอักฮัวเรื่องของเราหมดเลย <c oughs> เรื่องของมนุษย์ <c oughs> เอามาดูสับกับยุดลิลเนี่ยยุดลิลแปลว่าปล่อยให้หลงปล่อยตัวเองให้หลงหรือว่าปล่อยให้เราหนไปจากทางที่ถูกต้องคือปล่อยตัวง คนที่ปล่อยตัวนก็คือคนที่หลงดุนยาหาวิ่งจะหาเงินหาทองหาชื่อเสียงหาตำแหน่งหาแพะหาแกะหาที่ดินหาไรสวนนาหาผู้หญิงเมียหารถหาบ้านแล้วก็ปล่อยงานอาคริลทีมามาเมดเกีอาปล่อยอาคริลแล้วก็ มุ่งหาแต่ดุนยาดุนยาดุนยาดุนย า, าลืมอาคิรานั่นก็เรียกว่าคนหลงทางปล่อยตัวเองให้หลงปล่อยตัวเองให้เราหนเป็นยงไงครับมาลาหูสำหรับเขาไม่มีวัลยินผู้คุมครองมิมบาดี หลังจากนี้หลังจากอัลลอฮ์ตากาจะอธิบายบอกว่าว่ามายุดลิลลละผู้ใดที่อัลลอ์ปล่อยให้เขาหลงหรือว่าระหุนออกจากทางที่ถูกต้องใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาคิดเองพอคิดเองอัลลอฮ์ให้เลยเอาเอาไปเพลินไหมลนะ่ะหาเงินเพลิน่ะ หารถเพลินหาที่ดินก็เพลินหาเงินจะซื้อสวนอรรถเพลินอร่อยหมดเพลินด้วยอร่อยด้วยสนุกด้วยแล้วเราก็ปิดกัน้นสมองปิดกัน้นให้ชัยตอนมากัน้นไอ้มาอย่างนี้เป็นตน้นนี่ต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยแต่ทพอเกิดปัญหาเดือดร้อนขึ้นมาใครช่วยได้ละ่ะอลรรถเล่าเองนะฟามาลาหูมิววลียินสําหรับพวกเขานั้น สำหรับข่าวนั้นไม่มีผู้คุ้มครองวาลีบรผู้ผู้คุ้มครองมิมบาดีหลังจากพระองค์ต่อจากพระองค์แล้วไม่มีใครมาช่วยได้อัลลอฮฺเท่านั้นที่เป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดข้อที่สองวะตะรอวอลิมีนตะรอแปลว่าท่านจะเห็นนี่บกกคนาบีนะมุฮัมมัดท่านจะเห็น อันนี้มันเรื่องวันกียรมากหมดเลยนะครับเห็นใครครับลอลิมินผู้อาธรรมผู้อาธรรมเมตาสิตอธิบายยังไงรู้ไหมก็คืออลัลลอฮ์ใช้ภาษาว่าไงนะอลอเลมอัลลอ์จะกุท่านจะได้เห็นพวกเราก็จะได้เห็นแต่อลัลลอ พูดกับนบีบอกว่าว่าตอรับรอลิมีนบีจะได้เห็นเจ้าจะได้เห็นคนโอเลมในวันกิยามะเนี่ยในวงเล็บเลยนะลามาเมื่อรออาอุลอาซาบรอเอาบอาว่าเห็นอันอาซาบหมายถึงการลงโทษการลงโทษวันนี้มการลงโทษไม่มีครับปล่อยให้ทุกคนเลยเพลิน ไม่มีการลงโทษมีแต่ทดสอบเล็กๆน้อยๆให้ป่วยให้โรคโควิดมาให้ทะเลาะกันบ้างเล็กๆน้อยๆให้เงินขายแคลนให้มีความกลัวนี่ทดสอบให้อาหารขาดแคลนให้มีปัญหาให้แผ่นดินไหวให้น้ําท่วมนี่เป็นการทดสอบหมดเลยนะครับเพื่อเตือนเตือนเตือนให้คิด แต่หลายคนก็คิดได้หลายคนก็คิดไม่ได้เข้าใจนะ <laughs> จต่นั้นลามมารอาวุลละเมื่อเขาเห็นการลงโทษของพวกเขาอลัลลนอูซบิลลาฮมินซาลิกวันนี้อัลลอะไม่เห็นเลยครับเป็นคองอยู่สบายอขอยกตัวอย่างฟาโร่เป็นตำแหน่งอะไรกษัตริย์ กอรูนตำแหน่งอะไรเป็นนักธุรกิจค้าขายเงินทงเต็มไปหมดแล้วก็เงินเยอะขนาดไหนเยอะขนาดว่าคนถือลูกกุญแจอย่างเดียวน่ะชายคนตั้งหลายคนมันน่าจะไปสวรรค์ใช่ไหมไหม่ใช่แต่ทำไมตกนรกอ่ะเพราะไปขวางอิสลาม่ะขวางอิสลามแล้วก็ด่านาีมูซา ฟาโร่ก็เหมือนการตำแหน่งเป็นดูแลประเทศอียิปต์นี่ยวันนั้นน่ะตำแหน่งใหญ่มีพระราชวังอรอวักบาอยู่ริมแม่น้าไนนเนี่ยโอ้โหสวยด้วยแต่ว่าทรยศต่ออัลลอฮ์น่ยตั้งตัวเองเป็นพระเจ้าเองชั้นนี่คือพระเจ้าแล้วก็สั่งให้ฮามาเนี่ยสร้างหอคอยสูงพอสร้างเสร็จตัวเองก็ขึ้นไปดูบนหอคอย พอลงมาพูดว่าไม่เห็นอัลลอฮ์ในดาครด่านาบีมูซาด่าอัลลอฮ์ด้วยอ่ะอยฉันขึ้นไปแล้วที่ประเทศรัสเซียก็เหมือนกันหลังจากเอาอะไรนะดาวเทียมมาชช้ดาวเทีย ม, ยยมอะไรนะจรวดเนี่ยขึ้นไปโคจรอยู่ข้างบนนะ น, นะพอลงมาก็คุยแบบคุยแบบฟาโรนั่นแหละแต่ตัวเองไม่รู้นะ ไม่เห็นมีอร่อยดามุสลิมทั้งโลกเลยอะ่ะเอ็งระบาแล้วขึ้นบนดวงจานแล้วเหยียบบนดวงจันแล้วหมุนรอบดวงจันแล้วไม่พบอร่อยอร่อยไรอระอยไปเลยแต่พอมาถึงพอความตายมาถึงก็หอยอยยออล่อยจา้าขอกลับหน่อยได้ไหมกลับไปไหน กลับมาอยู่บนโลกดุนยาเพราะดุนยาเป็นโลกแห่งการทำความดีไม่ใช่มาทำความชั่วถ้าเขาใจผิดงาอย่างนี้เป็นตน้นดูต่อไปอยากรูนพวกเขากล่าวอาลัลลอ์บอกกับนบีจะเห็นนะเห็นคนที่รอเล่มคนที่อาธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นกับพวกเขาแน่นอนนะครับเมื่อเขาเห็นการลงโทษ ต่อมาครับเมื่อเห็นการลงโทษแล้วก็จะพูดว่าอย่างนี้ฮัลอ uh, ิลามารัดดินมรัดินประวันนี้กลับกลับไปไหนอ่ะกลับมาใช้ชีวิตบนดุนยาอีกครั้งหนึ่งเพิ่งรู้ว่าโลกดุนยาใบนี้ที่อัลลอฮ์ให้มาอยู่ชั่วคราวนี่นะไม่ใช่โลกแห่งการหาความชั่วไม่ใช่ โลกแห่งการทําความดีตามสุนทร น, นาบีเพิ่งไปรู้สึกตัวเนี่ยเราสอนกันร่วมตายอ่ะมีทีวีก็หลายช่องตับซิดก็สอนเตือนกันอะไรกันก็ถูกด่ากันอะไรกันเพิ่งมารู้จริงๆฟื้นขึ้นมาจากกูโบมายืนที่ทุ่งมาชัดอียาตาจริงดุนยาใบนี้ไม่ใช่โลกแห่งการทําความชั่วไม่ใช่โลกของการ ทำงานศาสนาของอัลลอ์ทั้งหมดอลัลลอฮอยู่แบบไม่ไ ม, ไ ม, มามาตัวเองเป็นอะไรพเพลินอ่ะมีเสียงเพลงในบ้านด้วยเพลินั้ยล่ะเนี่ยเอาดุญยานี่สิสังเกตได้ง่ายๆ่ ย, ยถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมไมประคองตัวเองนี่นะอัลลอ์เนี่ยขนาดไว้หนวดไว้คายังถูกด่าเลยภาคิยาจึงทะเลาะกันไม่เลิกด้วยเนี่ย ไม่ให้เข้าโรงเรียนไม่ให้เข้าโรงเรียนอัลลอฮฺอาควัดมีปัญหาหมดเลยเรื่องขั้นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่ถูกรังแกถูกซ้อเลมถูกอาธรรมถามว่ายิ่งอาธรรมเท่าไหร่ยิ่งรังแกเท่าไหร่คนยิ่งรับอิสลามเพิ่มขึ้นที่นั่นเพิ่มที่นี่เพิ่มที่นี่เพราออัลลอสัญญาไปแล้ว sayadhu nafi di n i l l a ศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยนบีจะเห็นนะพวกเขาจะเข้ามาอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์เป็นมูมูและเราเป็นมุสลิมทั่วโลกเนี่ยเมื่อรู้ข่าวว่าที่ญี่ปุ่นรับอิสลามที่อเมริการับอิสลามที่อินเดียรับอิสลามว่ายังไงสุบฮานอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮฺอัสตักฟิรุลลอห์ไม่ใช่ฮึมฮึมอุแบบนแน่ไม่ใช่ให้ทอมตนต่ออัลลอฮฺอย่างนี้เป็นต้น มินซาบินมีทางใดหนีกลับไหมไปพูดในวันเกียรมาร์กขอกลับมาอยู่บนดุนยาอีกครั้งหนึ่งเมลิกัสถามบอกว่าก็เอ็งออกจากดุนยามาไม่ใช่หรออยู่ในดุนยามาตั้งเจ็ดสิบปีสี่สิบปีแล้วก็นี่ครับขอกลับไปอีกแล้วหรือกลับมาทำอะไรก็จะตอบว่าไปทําอามันดิซอนนะ ไปเรียนศาสนาอะไจะมาอยู่กับศาสนาอิสลามแล้วจะอยู่กับอัลกุรอานอยู่กับอัลลอ์อยู่กับรอซูลอัลลอฮ์มาอยู่กับ น, นมาขอทำไมอ่ะฉะนั้นผู้จะไปเห็นอะไรกันหลังตายฟื้นขึ้นมายิ่งเห็นชัดเจนอย่างเลยในกุรอานเตือนนะครับมารถดินเนี่ยในตับเซตอธิบายเป็นภาษาอร а б บ, บอกว่ารูจูอัลอิลัดุยามารอดินเนี่ยแปลว่ารูจูอ อิลดุ u กลับไปสู่โลกอาคราอีเอ้ยกลับไปสู่โลกดุญญาอีกครั้งนึงในตับิ้นอธิบายดีนะยุดลลิลเนี่ยเขาพอใจกับการทรยศต่ออัลลอฮ์เนี่ยหลายคนบนโลกดุญยาไปนี่พอใจที่ฉันได้ตำาหนีอัลกุรอานฉันตำาหนิอัลลอฮ์ได้ อลัลลอฮ์ไม่เห็นทำอะไรเลยใช่ไหมแต่อลัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังนบีก็ขอดุทิอลัลลอฮ์จ่อย่าเพิ่งลงโทษคนที่ด่าอาลัลลอฮ์คนที่ด่าอัลกุรอานคนที่ด่าสุนนะนบีคนที่ด่ากาบะคนพุทธหลายคนนี่นะแอบเข้าไปในกาบะนะพอออกมาก็ผมแน่น่ะกันร้องห้ามผมยังเข้าเลยแน่แต่ยังไงก็ถูกเล่นงานอยู่นะ่ะ ไม่รู้สึกตัวเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเล่าสักยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยคนนี้ไปมันก็มีสตางค์เยอะนะทาปลอมตัวไปเป็นมุสลิมปลอมตัวทําพาสปอร์ตนะทำทุกอย่างเข้าไปทิกกาบ้านะแล้วตะว่าก็ไม่เป็นอันไรก็ไปเป็นใจไปดูแลกลับมากก็มาคุยไปว่ายชานแน่แหลอกมุสลิมโอ้โหได้เลยหลอกเอาล่อด้วย เราก็นั่งนึกอัอลลอฮฺไม่เอาแผ่นดินสูยกระพุนเท่าไรเ้วเนี้จะนั้นให้ยู่ไปอยู่ไ ป, อไปเอา้าพยายามคุยไงฉันหลอกมุสลิมมาหมดแล้วไปเหยียบกะบาลมาแล้วไม่เห็นมีอะไรอ่ะโอ้อย่างนี้เป็นตน้นชย้ไหมไปเข้ามาพอออกมาก็มาคุยดูถูกเหยียดหยามผมก็ขออนุอาอาลัลลอจัดการแทนด้วยไม่ยุบรึไม่ยุยาตายอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะ อัตอมากับอายะที่45ว่าทารุมย์อรอดนั่นเลยเหรอขชือในมินัลลุลย์ยังรูนมินตรรินขั้วที่ว่าลล้วที่นั่น อินนัลข้าศรีนั่น الذين خاسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن اللهم في عذاب مقيم الحمد لله الله يانيد ี و َ ت َ ر ٰ ه ُ م ْ يُعْرَضُونَ ع َ ل َ ي ه َ ا خَاشِعِينَ مِنَ ا ل ذ ُ ل ِّ يَنظُرُونَ مِن طرفٍ َ خ َ ف ِ ي ٍ وَقَالَ ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ و أ ه ل ِ ه م يوم القيامة ألا إنَّ الظالمينَ في عذابٍ مقيم الحمد لله من ุษย์สัมภาระตารหมเจ้าจะเห็นพวกเขาในวันกิยามะรับ บนดุนยานี่เห็นคนกาเฟตเนี่ยเจริญเอาเจริญเอามีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถขับหลายคันมีเมียไม่ต้องแตง่งข้าใครก็ได้อยู่กับใครก็ได้อาลอสังนะอย่าเดินตามคนกาเฟตอย่าเดินตามคนรอเลมแต่ให้เดินตามนาบีและสุนานะนบีพระปอดภัย เอาล้อให้กับคนกาเฟต์เนี่ยหลายอย่างเพลินด้วยแต่บ้านปลายชีวิตลำบากวัตรอฮมุมท่านมาถึงนบีมุฮัมมัดเนี่ยเอาล้อเล่าให้นบีฟังนะเจ้าจะเห็นพวกเขาเหล่านั้นยวรอดูนะถูกนำมาอะไรฮะต่อหน้าพวกเขา อะไรนำมาถูกนำมาไฟนรกจะลากมาจะนำมาอยู่ต่อหน้าคนยอเหลมทั้งหมดตั้งแต่ยุคนบะีอาดามเรื่อยมาโอ้โหยืนกันเป็นแถวเลยเนรกมาแล้วพออยู่บนดุญญนยาสําราญ์เรียกว่าเจ้าสํารามีความสุขเงินทองเยอะ เห็นยังครับนี่เอาล้อเล่าให้ฟังนะมัวหมัดท่านจะได้เห็นพวกเขาเหล่านั้นเมื่อไฟนรกถูกนำมาอยู่ต่อหน้าพวกเขาพอเห็นนรกภัพคอชัยแปลว่าถมตนความจริงคำว่าคอชัยน่ะมุมินเขาชากันบนดุนยาใบนี้ คุกาเฟตไม่เคยขอชีอินให้ใครเลยแต่จะไปขอเชีอินเมื่อเห็นอะไรเห็นนรกแต่วันนี้คําว่าขอชีอินแปลว่าทอมตนนะุ่มมินเขาชายกันอยู่แล้วจะเข้ามัสยิดเขาทอมจนเจอพ่อแม่เขาทอมจนเจอคนยากคนจนเขาก็ควักสตังค์ให้เขาทอมจนนะ่ะให้สลามก่อนเด็กก่อนเอาเงินในภรรยาชายทอมจนตลอดนะ่ะ จะไปมาก้าก็ทอมจนทอม ต, น, อมตนหมดแต่คนกาเฟททอมตนไม่เป็นจัดทอมตนต่อหน้านายกคนเดียวเพราะนายกนี่สามารถสั่งนู้นได้สั่งนี้ได้อย่าลืมนะคนกาเฟทเนี่ยทอมตนไม่เป็นทอมตนต่อหน้าเงินต่อหน้าชื่อเสียงเกียรติยศตําแหน่งฉันทอมตนให้เธอเพราะหวังตําแหน่ง แต่ของเรามุมินเนี่ยวังความเมตตาจากใครจากอัลลอฮสุบฮฺต่างกันไหมล่ะชีวิตต่างกันเราเข้ามัสยิดเนี่ยท่อมตนเนี่ยท่าสุดหยุดของเราที่เอาหน้าผากติดกับพื้นเนี่ยเป็นท่าท่อมตนที่ถ่อมตนที่สุดแล้วไม่มีแล้วอ่านดุอาค่อยๆแต่ข้างบนได้ยินเพราะเราถูกสอนมาอย่างนี้ คนกาเฟ่โอ้อลออยู่ไหน ى, ฟาร์โรว่าขึ้นไปเหยียบอะไรนะขอคอยไม่เจออัลลอฮอัลลอฮอักบัตและอัลลอฮก็เก็บศพเอาไว้นอย่าเอาแบบฟาโร่เนี่ยมาใช้นะาต่อมาครับมินาซุลล่ต่ำต้อยทอมตนเพราะความต่ำต้อย หรือว่าอดสูเพราะความอายเราเพราะเห็นนรกมาลายะรอทอมตนด้วยความต่ำต้อยด้วยความอับอายแล้วก็ยันจูรูนะพวกเขามองมองอะไรหรือไม่มองไฟนรกเนี่ยหรือว่ามองคนอื่นมองมุสลิมก็ได้ด้วยสายตาที่รดนะ ด้วยสายตาที่แบบหลบๆไม่กล้าไม่กล้าอะไรนะไม่กล้าเผชิญหน้าต้องหลบมันไว้เห็นอย่างกันอย่เ า, เ ล, าเล่าให้ฟังนะคนคาเ ฟ, ฟ่มองกันในวันนั้นเนี่ยไม่กล้าสบตาแบบแบบอะไรนะแบบแบบซึ่ ง, ซ, งซึ่งหน้าเนี่ยไม่กล้าเห็นอย่างกับเนี่ยสภาพของคนที่ไม่เอาอิสลามบนดุลยาใบนี้อัลลอฮ์จะให้เห็นสภาพในโลกอากรเราเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟัง นักกลัวมากนะครับวันนี้ช่งเงก็นาดูเลยใช่ไหมเห็นผู้หญิงคนมาเด้อช่งเงแต่เราถ่อมตนนะต่างกันมาชีวิตนะต่างกันเยอะผู้หญิงเดินผ่านมาในเราอ่านดูอ่านเราจะปกป้องความชั่วของฉันด้วยคนกาแฟมาเออกูอยากได้คนนี้จังเลยชีวิตมันต่างกันนะ่ะ อย่างนี้เป็นต้นนะครับอธิบายเล็กน้อยเพื่อความเข้าใจง่ายๆต่อมาครับวกอลลรีนาแมนูนิวร์ที่สองในเรื่องของเราสำหรับผูท้ที่อีมานกอล่าจะพูดในวันนั้นพูดตำหนินะอินนัลคอซิดีนแท้จริงพวกที่ขาด ทุนคอสิเพราะว่าขาดทุนอันลรนีนะคอสิรู้คนที่ขาดผู้ที่ขาดทุนอย่างย่อยยับนะใครรู้มาอัมฟุสหฮุมตัวของเขาเองไม่ใช่บนโลกดุนยาขาดทุนในโลกอาคือขาดทุนตัวเองไม่พอ ว่ า, าลีหิมพาครอบครัวขาดทุนด้วยเห็นยังครับพาลูกพาเมียพาหลานพาเหนตะกูลใหญ่กะตัวเองเนี่ยขาดทุนยังไม่พอพาลูกพาหลานพาเมียเข้านรกกันหมดเลยเนะพิ่งไปสำนึกตัวนะวันไหนวันที่ฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพมาเห็นนรก พิ่งจะเข้าใจว่าอัลลอฮฺอักบัดชีวิตบนดุนยาเนี่ยมันต้องอยู่แบบอิสลามอยู่แบบนบีอยู่แบบสุรฮาบานาบี Allah, อัลลอฮ์ส่งนบีมาแสน24งหมพคนมาสอนอะไรสอนเรื่องนี้แต่ว่ามันเข้าใจยากนะ <c oughs> พอพูดเรื่อง إ ي م าน Allah, อัลลอฮ์ إيمان อีกแล้วพอพูดเรื่องเงินโอ้โหควาชั่วนะพูดชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศวยนันนสภาเต็มหมดเลยนะเห็นไหม ก็สังเกตดูสิสังเกตดูกันแล้วกันวันนี้กัญชาก็ผ่านสภาอย่างผ่านแล้วนะกระท่อมก็ผ่านแล้วก็เราก็ต้องเตือนกันนะนะมันมันต้องผ่านสภาแน่อยู่แล้วแหะผู้ชากับผู้ชายก็ต้องแห่งแต่งงานกันคนที่อ่านประวัติตรงนี้นะเรื่องนี้นะต้องนึกถึงนบีอะไรนบีลุตอะลัยฮิสสลามที่ ที่เมืองเดซีปัจจุบันนี่นั่นเขาทำอะไรกันจึงเป็นเดซีอยู่เนี่ยเพราะว่าผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยรับรองกันว่าผ่านอาจจะพูดสภาเกิดมันกระทบชาวบ้านกันเอาละพูดถึงอดีตไปกันแล้วกันผู้ชายกับผู้ชายอยู่อยู่ด้วยกันแล้วเมียเมียลูดเมียนบีรูดเนี่ยส่งเสริมด้วยนะไอ้ส่งเสริมเนี่ยระวังให้ดีอ่ะเนี่ชาวบ้านเหมือนกันพวกเราเนี่ย ฉันเห็นด้วยกับผู้ชากับผู้ชาอยู่ด้วยกันเอาล็อให้เองอยู่วันเกียมัดเอาเรื่องมึงแน่แค่แค่ตายานั้นแหละฉะนั้นยกมือมายกมือมี ม, มีมีส่วนกับชีวิตด้วยนะให้ผ่านก็ไม่ให้ผ่านมิมไม่อยากไม่อยากแตะเรื่องการเมืองฉะนั้นต้องนึกกัญชาเราก็ไม่เอาอ่ะนอกจากหมอ เขานะเขานำเสน อ, อ, อ ร, รักษาโรคอันนี้ให้หมอรับผิดชอบไปเ่ามาเราอย่าไอย่าไปตัดสินใจเองเลยนะเพราะมัปัญหาของฮารอมไแล้วเนะอาเอาต่อมาครับนะพูดศรัทธาพูดว่าอินนัลคอสิรนแท้จริงพวกที่ขาดทุนก็คือเขาเนี่ยย่อยยับทำตัวย่อยยับ ตัวของเขาเองเพราะไม่เอาอิสลามไม่เอาสุนนะนบีไม่เอากุรานนะครับมาอะไรนะมานำทางชีวิตของเขาววานลีหิมพาครอบครัวหลงทางอีกพาครอบครัวให้ขาดทุนอีกเยาวมัลติยามาตอนไหนอันนี้อธิบายชัดเลยในวันตียามาอับนาลอาบิดิลลาเมนินซาลิกคนให้รอกุมข่มข้องต่อมาครับ อัลอลอฮ์เล่าให้ฟังแท้จริงจงรู้ไว้เถิดว่าอินนอรอริมินแท้จริงผู้อาธรรมทั้งหมดตั้งแต่สมัยอาดามเรื่อยมาผ่านนัวอิบรอฮียูซุฟยูนุสทุกยุคทุกสมัยจับรวมกันหมดฟีอดซาบินอยู่ในการลงโทษมมกีมินแบบถาวร อ, อยู่ไปตลอดไปไม่มีวันหมดอายุความชั่วที่คุณทำ เหนยัครับนักหน้านะนทีนี้อาดาบในวันตี亚马เนี่ยอย่าเลืองว่าชีวิตดุนยาเนี่ยสั้นนิดเดียวนะแต่เมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตหลังตายไปแล้วนะ่ต้องผ่านอีกเยอะมากเลยเอาเล่าให้ฟังเลยนะครับเป็นอักรีนะเป็นความเชื่อของชาวซลัฟเลยนะดุนยานี่กี่ปี เจสิปีใช่ไหมหกสิปีก็ตายแล้วบางคนห้าสิบสี่สิบไปอินนาลิลลาแล้วใช่ไหมเอาชีวิตพอตายภาพนะ่อยู่ในนะอยู่หนึ่งอยู่ในกุโบข้อที่หนึ่งนะอยู่ในกุโบอยู่กี่วันไม่รู้อะและนอนลำบากสบายไม่รู้ด้วยอะถ้าอ่านจากคดีเรารู้คนที่ไม่นมาดครบเจออาสาบไม่จ่ายกระกาศเจออาสาบคนที่ด่าพ่อแม่เจออาสาบ โอ้โหเต็มเลยอ่ะคนที่ขโมยคนด่าคนอิจฉาทิสียคนไม่ทนันเตาบ้าตัวแล้วตายอะ่ะไม่จ่ายสกาดด้วยไม่ช่วยใครเลยอะ่ะเงินมีไม่ไมีมมองเจออาสาผู้ในกูโบมันเลยแลวนอนกีวน่วันต้องคิดดูสิว่าอยู่ยาวกว่าชีวิตบนดุนยานะ่ะแล้วก็นึกถึงย้อเราเสียมาสี่ิบปีใช่ไหมมาเราก็บห้าสิบปีแล้วโต๊ะเราเลย โอนี่เป็นร้อยปีขึ้นนะ่ะแล้วก่อนหน้านี้แหละนอนอยู่ในกุโบยาวเท่าไรครับในเรื่องที่หนึ่งกุโบเรื่องที่สองครับมีการเป่าสังนิจตา ม, มานะ่ะมีกานเป่าเป่าสองครั้งครั้งแรกนะ่ะตายหมดครั้งที่สองฟื้นหมดเลยอะ่ะต่อมาเรื่องที่สามฟื้นคืนชีพพอเป่าสังแล้วฟื้นคืนชีพเขาเรียกว่าอันบ้าสุด เรื่องที่สีเอาไปรวมตัวกันที่ทุ่งมาชัดงานใหญ่เป่าเนี่ยย้าย ห, หมดเลยนะ้าเรื่องที่ห้าอัชชาฟะอัลลอฮฺจะอนุเคราะห์ช่วยเหลือช่วยเหลือเนี่ยคนที่ช่วยได้มีนบีคนเดียวใช่หรือไม่ใช่นบีคนอื่นช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ผมก็อ่านเรื่องชาฟะ คนที่จะได้รับชาฟะอ่านี่ต้องอามันที่สรและบนดุนยาเท่านั้นถ้าไม่มีอามัณฑิสรและบนดุนยาอาลัลลอฮ์ไม่ให้นะบีชาฟะอ่านเลยครับอะไรบ้างข้อที่หนึ่งระว่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในนครมดีนะพอพี่น้องเราจะไปทำภารกันใช่มาไปวอยไวที่นครมดีนะไม่มีชาฟะอ่านจากอาลัลลอฮ์ในวันเกี่ยมาบนร้อนคน แอบอัดหลือเกินแย่งลิฟต์กันทะเลาะกันถูกทดสอบจากกาเล่อเล็กๆน้อยๆไปโวยวายที่นครมาดินนะในวันเกียวมาล่อถามมาโวยวายที่ที่มาดินน้าป่าบอกบอยมาหมัดมาจะจะไปช่วยคนนี้แล้วก็ถามเรื่กงลุกขึ้นมาทหาจยุดป้าทางชีวิตคุณอยู่บนดุนยาเนี่ยไม่มีทางอ่ะ อันซุลาะมุลเปล่าอันกุรอานเปล่ามีทั้งหมดแปดเรื่องคนที่จะได้รับเะพาะจากอัลลอฮ์ในวันตียมะนะในรายละเอียดเดี๋ยวจะค่อยๆ อ, ยอธิบายให้ฟังเรื่องที่เรื่องที่หกคิดบัญชีเรื่องที่เจ็ดแจกอะไรนะแจกสมุดบัญชีเรื่องที่แปดตาช่างเห็นไหมนี่มันผ่านบานงานใหญ่หมดเลยอะ่ะ เรื่องที่ก้าบ่อน้ําเกาซัดคุยเรื่องบอ่อน้ําเกาซัดนิดหนึ่งทุกคนเนี่ยหิวกระหายบนทุ่งม้าชัดนะ่ะอยากกินน้ำหมดเลยอนะ่ะพอกินน้ําเนี่ยจากบอ่อน้ําเกาซัดเนี่ยแล้วคนที่ตักให้น้านบีนะ่ะใครกินไปอึกเดียวนี่นะก็ชุ่มกะช่วยหายไม่หิวเลยจนกว่าจะเข้าสวารรค์นะ แต่นี่บอ่อน้ํากาซัตเนี่ยมันเป็นยา ง, งีงนบีจาได้คนกาเฟตหมดสิทิ์เลยนะไม่ได้กินนะมีคนถามนาบีว่าจะนบีจะรู้อุ ม, มา่านบีอุ ม, ม่าของนบีเนี่ยมีทั้งโลกเนายเยอะไปหมด่นนนะประมาณตอนนี้มันสองสองพันล้านใช่ไที่เอาล่อหนะ่ะแล้วเอาแบบจริงหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าสองพันล้านเนี่ยนะเอามีสักพันห้าเอารู้ได้ยังไงว่ามันเป็นอุ ม, ม่าของฉัน นบีก็ตอบตอมีร่องรอยของการอาบน้าน้ำมาศเห็นยังร่องรอยของการอาบน้ําน้ำมาศไปโผลที่วันเกียมานูน่ะเห็นยังนี่อิสลามท่านคนไม่ได้น้ำมาศมีเสิ็จไหมไม่มีเสร็จเอาละอาละมีน้ําน้มาศแล้วนบีก็เรียกมามาม า, ม า, ม า, ม า, มากินน้ำมาเลียกากันไม่หาไปคนนี้มันทําบิดาของที่นบีไม่ทํามันอยากทําจังเลย แล้วก็ไม่ยอมเรียนสุนน้านาเบียด้วยนะฉันไม่เรียนสุนน้านาบีหรอกฉันจะอยู่แบบนี้แหละน้ำน้ำมานมีไหมมีครับร่องรอยมีไม้ยแสงสว่างมีที่หน้าที่ใบหน้าที่แขนที่ขาแต่ที่ไหนได้มรดกากา ร, การไม่ให้กินน้ำเพราะทำบิดานาบีไม่รู้หรอก นี่เล่าเล็กๆน้อยๆเพื่อให้รู้ว่าหลังจากตายชีวิตยาวมากครับข้อที่ข้อที่ส0บคิดบัญชีเห็นไหมข้อที่ส1บเอดสะพานซีรอดแล้วก็มีนรกส่วนมุมินขึ้นสะพานแล้วไปอีกสะพานหนึ่งเขาเยกว่ากินตรอ ตอนจะเข้าสวรรค์เนี่ยนะมีสะพานหนึ่งมีสองมีสองสองมีสองสะพานนะสะพานหนึ่งเรียกว่าซีรอดทั้งทุกคนผ่านหมดแเรวก็ผ่านเราตกตกนรกมีขอเกี่ยวด้วยไอคนนี้นี่โกงตาช่างเอาเกี่ยวออกมาแล้วก็ตินตรอดมาถึงสะพานก่อนที่จะเข้าวเข้าสวรรค์เห็นยังกี่ขั้นตอนน่ะ ชั้นชีวิตหลังตายเป็นชีวิตที่ยาวมากมันไม่ใช่ตุนยานี่เราบ่นกันว่าตายนะเราแค่หิวข้าวหน่อยหนึ่งกบ็บ่นเงินขาดหน่อยกบ็บ่นเมียทำอะไรไม่ถูกใจกทะเลาะกัก็อะไรก็นนักหนาเชวซึ่งอดทนสบายถ้าเอาซุน่านาบีมาใช้น่ะปัญหานี่แกได้ไหมแกได้หมดเลยนะซูนานาบีต้องแก่แต่ต้องเรียนไหมต้องเรียนอย่างนี้เป็นต้นตัวงว่าชีวิต หลังจากตายไปแล้วเนี่ยยาวหรือไม่ยาวยา ว, ยาวกว่าจะเข้าสวรรค์ผ่านกี่ตอนอย่างน้อยสิบเอ็ดสิบสองตอนก็ขอาลาอัลลอฮ์ให้คนที่ฟังตะพีดนะครับได้เข้าสวรรค์ของอัลลอ์สุภาโนาวตาะลอฮอัลลอฮอัลลอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลฮอล ยัน ر ُรุน هم من دون الله وَمَن ي ُ ض ل ِ ا ل َ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ أُولِيَاءَ ي َ ن ْ ص ُ ر ُ و ن َ ه ُ م ْ مِنْ دُونِ اللَّهِ วเมนี่จ ل ลลิ่ลาฟมาเลห์ห์มินสบิลอัลลอฮฺอักบาร์ดีจริงๆนะอดูสับนะมากานาลาหุมสำหรับพวกเขาไม่มีมันยังคนกลุ่มไหนคนโซลเเลมคนกาเฟตมุนาฟิกพูกพูดกันกันมีอยู่ห้ากนแล้วกันนะมุนาฟิก กาเฟรมุชริกยัฮูดินสรอนีห้ากุมห้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะแอนตี้อิสลามที่ไม่แอนตี้มีไหมนั่งชิดเงียบๆนะมีไหมมีไม่ดามุสลิมแต่พอใจกับการปฏิเสธอัลลอฮ์อั น, นใหญ่มาก ด่ามุสลิมบางคนด่าบางคนไม่ด่าแต่อยู่แบบพอใจที่ฉันทรยศต่ออัลลอ์แต่ทรยศต่อมูฮัมมัดอย่างนี้เป็นต้นแต่มุสลิมเราในจำนวนไม่น้อยนะอาบน้ำนามาดเหมือนกันแสงสว่างจะโผล่จริงแต่ทำปินารเต็มเลยนะต้องเรียนนะพี่น้องเรียนเธอก่อนตายนะเรียนเธอ ว่มากะน้ละหุมมินเอาลียาถ้าไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยนะไม่มีตัวช่วยใช่ไหมไม่เอาสุนัขนบีไม่มีตัวช่วยไม่เอาคุรานมาไม่มีตัวช่วยครับไม่เอารูปแบบของนบีมาใชา้ไม่ใช่ตัวช่วยนะไอตัวช่วยนะไรยัำสุรูนหุมช่วยเหลือพวกเขาไม่มีครับถ้าจะให้รอดตั้งแต่กูโ บ, โบนะ ต้องยึดกุรานยึดสุนนะนบีนะครับแล้วก็ยึดแบบอย่างของท่านนาบีต้องเรียนครับพี่น้องต้องหาความรู้ต้องเสียสละเวลาต้องอดหลับอดนอนเพื่อไปหาความรู้กันนะมินดูนิ่ล่อื่นจากอัลลอฮ์ไม่มีใครช่วยได้เลยนี่พูดยําไปยามมานี่ยไม่รู้ว่ากี่ร้อยครั้งแล้วนะ ว่าไม่ ย, ยุบฤลิลผู้ใดที่อลัลลอ์ทรงปล่อยให้เขาหลงเพราะเขาพอใจกับการทรยศต่ออัลลอฮ์พอใจกับไม่เอาสุนานะนบีมาใชา้ในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยอลัลลอ์ก็เลยให้หลงให้หลงนี่ยให้ชาตอนมาไปมากำกับชีวิตเลยนะเอาเพื่อนไปเลยเอาชายตอนไปอยู่กันไปเลย <c oughs> ล้างสมองจูงสมองล้างความคิดเรียบร้อยเลยนะครับ ฟามาลาหูมินซาบีลสำหรับพวกเขานั้นไม่มีทางรอดอัลลอห์ยังเข้าทางรอดปลอดภัยไม่มีกับซบีนเ บ, บวาทางรอดกุรานอธิบายกุรานในสุราอื่นอธิบายอย่างนี้นะครับคุลิดดัอัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงจงไรอจงขอจากอัลลอฮ นะครับใครที่ไปขออื่นจากอัลลอฮ์นี่นะสิ่งที่เขาเคารพบูชาจะเป็นต้นไม้เจวเวทอะไรก็ดีชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศเงินทองที่มีอยู่เนี่ยช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกเมื่อเวลาความทุกข์ความเดือดร้อนมาหาเขาช่วยไม่ได้เลยแต่บนดุนยานี้นะ่ะ อาจจะช่วยได้มีเงินมีทองไม่ให้ติดคุกเนี่ยเอาเงินไป30สบล้าน4ี่สิบล้านให้กับใครผู้ตนะิดตัดสินนั่นแหละก็ม้อก็ช่วยได้เฉพาะดุญยาอย่างเดียวนะแต่พอตายภาพนี่จบไหมเพราะหน้าที่เป็นคนอัลลอหมดเลยสำคัญมากกับเรื่องนี้นะครับเอาต่อมาครับอายาที่เท่าไหร่นะอายะที่นนะที่เจ ทีนี anyway, ้ผมอ่านคุรานยพยายามอ่านอ่านกุรานเยอะๆหนะนี่เปิดสุรามุซัมมินอ่านอ่านบ้างก็ได้แล้วดูสับมันนะกุมิลัยละอกอลีละแล้วก็วรตติลคุรานตารติลลวซุริสมารบิกวะตาบติลิลัยตบตลถามว่าเราอ่านกุรานสุรามุซัมมินเนี่ยได้อะไร ผมก็ลากไปน้องฟังกันแล้วกันว่าเอลาล้อสั่งนบีมุฮัมมัดมันก็สั่งเรานี่แหละกูมีไรกลางคืนเนี่ยท่ไงไม่ใช่นอนอย่างเดียวให้ลุกขึ้นนมาเป็นงานที่หนักคนทำได้มีไหมมีนบีทำเป็นแบบก่อนแล้ซาวบ้านนบีทำภรรยานาบีกูลุกขึ้นนมาแต่หยุด ใช่ไหมนี่รูปแบบแบบนี้เนี่ยเอามาใช้เถอะอายุเยอะแล้วเนี่ยยังไม่เคยตะฮัดยุตเลยเนี่ย <c oughs> กุมิอะไล่ละลุดขึ้นมาถาอ่านกูอานให้หมดนะครึ่งคืนอนะ่ะโอ้โหเอาละนอนเล็กน้อยเอามานอนกลางวันแทนอะไรอะไรมันก็มีนะค่อยๆ อ, ยอธิบายเอาต่อมาครับวรรตติลกุรา่านเรื่องที่สองให้อ่านกูอานสม่ําเสมอนี่กูอ่านเรืนี้แหละ อ่านอานกุน้อ่านมีสองอย่างหนึ่งอ่านให้จบเล่มได้ผลบุญอย่างเดียวแต่อ่านแบบจะสอนตัปซีนเนี่ยได้ความรู้นะโอ้ได้สติปัญญาดได้ความรู้เพิ่มเติมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนนิสัยเ่ย น, นะมาต่อมาครับวัสโกริสมารอบบิกจึงนึกถึงพระ น, นามของอัลลอฮฺให้วิเกตถึง Allah กับอลลอเยอะๆซุฮานัลลอลฮละฮมดุลิลลาห์เนี่ย สิบวันของเดือนรุลงไหญาเนี่จะมาแล้วใช่ไหมอีกไม่กี่วันนี่นะสิบวันของเดือนรุ่งไหญาเนี่ยสิบวันนี้ส่งเสริมให้อ่านคุรานส่งเสริมให้นามาตส่งเสริมให้ขอดุอาส่งเสริมให้บริจาคผลบุญเนี่ยมากกว่าคนที่ออกจิฮาดมีคนถามนาบีว่าได้ผลบุญมากจริงๆหรือบอกว่าใช่ น บ, บีเขบอกว่านอกจากออกจิฮารแล้วพาตัวเองไปพาทรัพย์สินไปแล้วไปตายถึงจะดีกว่าถ้าไม่ตายยังกลับมาการอ่านคุณอ่านในช่วงสิบคืนของเดือนอุไรจานี้อ่านคุณอ่านซิกรุลลอห์ขอดุอาทําความดีลูกขึ้นธรรมะหัดยุตบริจาคด้วยอัลลอฮ์นะเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดนะดีกว่าคนที่ออกจิฮาร์แล้วกลับมา นอกจากออกจีฮัดแล้วไปตายเลยมีศพกลับมาฝังงที่กูโบนั่นแหละถึงจะดีกว่านี่นบีพูดถึงขณะนี้ทำไมต้องพูดถึขณะ น, นี้ให้กําลังใจพวกเราเพราะว่าอายุของพวกเราเนี่ยมันสั้นกี่ปีเจปี80ปีใช่ไหมทีนี้อายุของนบีต่างๆที่ผ่านมานะ่ะพันปีใช่หรือไม่ใช่ถามว่าเมื่อเทียบความดีแล้วเนี่ยเราสู้เขาได้ไหม โว่ไม่ได้อยู่แล้วก็1พันปีเราหกสิปีเองอ่ะฉะนั้นเพื่อให้ความดีเท่าเขาอ่ะจึงมีวันเหล่านี้เกิดขึ้นถือบวชในช่วงสิบวันเนี่ยโดยเฉพาะวันใดวันที่เก้าสุนนันอารฟาฟาใช่ไหมถือบวชใช่ไผลบุญบนเท่าไหร่สองปีบาบลดไปสองปีเอาได้ไม่เอาต้องเอาง่าเพื่อจะให้ผลละโนเท่ากับคนในยุค ก, ก่อนพันปีอย่างนี้เป็นต้นนี่ แล้วก็มีไลตุลกรอไดรินเดอรมดอนมีทำไมอะ่ะก็เพื่อให้ผ ล, ละบุญเท่ากับคนอายุพันปีสมัยก่อนนี่อัลลอบ์เมตตาถึงขนาด น, นี้ท่านมาเป็นมุสลิมกันเถอะนะมาเรียนสุนนะนบีกันเถอะมาอ่านกุรานกันเถอะมาหาความรู้กันเถอะนะครับแล้วก็ต่อมาครับวัสบิลให้อดท น, อ, อ, นอัลลอฮ์นี่ต่อมากระยะที่ี่เจ็ อิศตะจีบุลีรับบิคุมิงกาเบลีไอยาติอายุมุลลามรดเดลหูมินอัลลอฮฺมะเลคุมมินมะลเจีย ا ل มาอ م ลวมะลคุมมินนอิบุลีรบบิคุม มิ่งก่อนจะยัตีเย่อมุลลามารดาลห์มิ่งอัลลอฮฺมาลักุมมิ่งมันจามาลักุมมิ่งมันจาเย่อมัยลิอูวะมาลักุมมิ่งนักีอฺอฺลฮฺามดุล มีฮะดิษบทหนึ่งก่อนจะอธิบายเนี่ยนะเรานี่ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายเนี่ยทุกคนความทุกข์ที่เราได้รับเนี่ยนะเคยเคยลำบากใช่ไหมเคยเจ็บใช่ไหมเคยถูกหนังตำใช่ไหมความเจ็บทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาบนโลกดุนยาทั้งหมดนะ ตอนใกล้จะตายเนี่ยความเจ็บปวดตอนใกล้จะตายนี่นะมากกว่าชีวิตดุนยาทั้งหมดมารวมกันที่ไหนที่ตัวเราก่อนจะตายเขาเรียกว่าทรมานก่อนตายเป็นเรื่องจริงครับคัมภีรขอมิมตอมรอนีองนบีมุฮัมมัดเองก็เหมือนกันแต่งอิสลา์เล่าเองนะนบีเนี่ยทรมานก่อนตาย เพื่อจะบอกพวกเราว่าชีวิตก่อนตายเนี่ยก็เรียกว่าสักครตุลเมาท์ก่อนตาย5นาทีส0นาทีนะความลำบากทั้งหมดการเจ็บทั้งหมดที่ผ่านมานะครับชีวิตก่อนตายเป็นชีวิตที่ทรมานที่สุด ขอยอมอ่ะน บ, บีสั่งให้ขออัลลอหฺอุมะฮาวินอะไลนาฟีสคารอตินเมาต์อัลลอฮฺจาตอนใกล ah ้จะตายอย่า ah, ทรมานฉันมากนักเลยไอ้ทรมานเนี่ยเป็นอย่างนี้หนึ่งเพื่อลดความผิดของตัวเองที่มีอยู่ถ้าทรมานแล้วความผิดไม่หมดไปเจอที่ไหนต่อเจอในกูโบต์อเองอะ่ะ ทรมานในกูโบไม่หมดฟื้นขึ้นมาเจออีกทรมานในเจอฟื้นขึ้นมาไม่หมดต้องเจอนรกอีกอ่ะฉะนั้นความลำบากที่มาประสบกับเราเน่ลดโทษเราเน่ะมันต้องนึกจัางนี้ถึงจะไมจะ่จะไม่โวยวายอ่ะถงั้นโวยวายหมดละเจออะไรนี่กูกูกกดา่า น, านู้นท <c oughs> านี้เาตกลงว่า ตั้งแต่เกิดจนตายนการเจ็บปวดต่างๆที่ได้รับแต่ตอนกล้าจะตายจะมีความรู้สึกทรมานมากกว่าและหลังจากตายจะพบหนักกว่าตอนกล้าจะตายอ้าวไม่เชื่อลองตายดู <c oughs> เอาต่อมาอายะที่ี่สิเจอิสตาจีบูดูสับทางทัางหลายจ ง, งจงตอบสนองจงตอบสนองจงตอบรับ รีรับพิกลพระผู้อภิบาลของท่านทั้งหลายหมายถึงจงตอบรับคำเชิญชวนของพระผู้อภิบาลของท่านและของนบีอธิบายได้หมดเลยตอบรับคำเชิญชวนของอัลลอฮฺละรอซูลเนี่ยได้อะไรในอายะอื่นอธิบายบอกว่ายุอยยกลุ่มทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของคุณนะั้นดีขึ้นสบายใจไหม ตอบรับคําเชิญชวนของอัลลอฮ์ละลัลซูลเช่นบรรดาซาบะของท่านนาบีมันนะ่ะเขาตอบรับคําเชิญชวนของอัลลอฮ์ละลัซูลชีวิตของเขาดีขึ้นหมดเลย อ, ะอ่ะเอ้าเช่นไซนาอบูบากัดถูกด่าเนี่ยไม่ตอบอะ่ะชีวิตดีแล้วไม่ดีท่านนาบีก็ทําเป็นแบบไว้เดินผ่านบ้านยิวคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะเอาไรนะเอาขยะโยนใส่ศรีรษะ เจ็ดแปดวันน บ, บีตะกัดตะปัฏลงไม่หวาดอรสักคำนึงแล้วก็พอวันมีอยู่วันหนึ่งไม่โยนไม่โยนขยะใส่สีสานน บ, บีน บ, บีถามว่าบ้านนี้ไปไหนทำไมน บ, บีให้อภัยนี่ไงอิสตาจีบูจงตอบรับคำเชิญชวนของอัลลอ ค่นคนที่ให้อาภัยคนในมันจะคนโง่เขาฉลาดเขารู้เรื่องชีวิตอาคีรอเขาก็เลยให้อาภัยกับคนที่ตำหนิเขาด่าเขาว่าเขาอะไรเขาเชิญว่า ม, มึงเองเสียนะ็จะกูเสียที่ไหนละอเราเนี่ยเวลาใครนินทาละ่ะมีคนเล่านะหูร้อนเลยนะ <c oughs> พอเพอใครเขา้เขาใจศาสนากุณอ่านแล้วมีปัญนา ออต่อมาครับอิสต์จีบูจงตอบรับคำเชิญชวนของพระผู้อภิบาลของสูเจ้ามาถึงคำสอนของอิสลามทั้งหมด น, นั่นนะครับมิ่งกอบลิก่อนที่จะอายตียกุมก่อนที่จะ วันหนึ่งมาถึงพวกเขายะติยาเยามุนยามุนแป ว, วันหนึ่งมาถึงวันเกี่ยมะเนี่ยจะมาถึงพวกเขารึวันตายมาถึงพวกเขาก็ได้ละมาโรดดาลามาโรดดาแปลว่าระเบียงบายหนีไม่มีทางหนีครับหนีไปไหนไม่รอดละมารรดดาลาหูมิในลอจากอาัลลอฮ์หนีอัลลอฮ์ไม่รอด นี่เล่าให้ฟังพูดเตือนแล้วเตือนอีกเอาล่ะจับใส่ลมจะนีไปไหนรอดไอตอนแบกลงไปไปไปกูโบนมีอยู่สองท่านะ่ะท่าที น, นึ่งเนี่ยอันบีพูดเองนะคนตายพูดได้คนชั่วจะพูดว่าจะพาฉันไปไหน คนดีพูดว่ากอดดิมูนีรีบพาฉันไปไวๆเถอะนี่นบีเล่าให้ฟังไม่เชื่อเรื่องของท่านคนตายพูดได้ครับตายแล้วอยู่ในโลงนะพูดได้ถ้าเป็นคนดีศพดีจะพูดว่ากอดดิมูนีรีบพาฉันไปไวๆไปฝังเพราะผลละบุญโอยอยู่ในกุบรวและสาหรับคนแมวอาศาสนาเนี่ยตนแบกไป เอ็งจะพาฉันไปไหนฉันไม่อยากไปพอเจอกูบูเจองูจ้องอยู่แล้วตะขาบจ้องอยู่แล้วคอนไม่รู้ว่าหน้าเทอรายนะ่ะจ้องอยู่แล้วนี่เล่าให้ฟังไม่เชื่อเรื่องของท <c oughs> ่านอันนี้เป็นตนเอาต่อมาครับจากนั้นจงตอบรับคําเชิญชวนของ Allah, องลัลลอฮ์นะครับอาวงเล็บของรอซูลก็ได้นะครับก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึงท่าน ซึ่งเบี่ยงเบนไปไหนไม่ได้หมายถึงอาสาของอลอมามาละกุมมมันจะสูเจ้าไม่มีมันยะแปล ว, ว่าที่พึ่งอยู่บนดุนยาเนี่ยที่หลบมันมีอลรอถก็ให้อต่ น, นี้มัติดติดนี่สายดุนยาไป นึกว่าพวกช่วยได้นึกว่าเงินช่วยได้ตำแหน่งช่วยได้ไม่มีทางแล้วครับนึกว่าพักช่วยได้ไม่มีสิทธิ์ครับมันจะจบแล้วที่พึ่งไม่มีที่พึ่งพิงพึ่ง พ, ง พ, งพิงไม่มีเ ย, าาย้าไม่ลิ้นในวันนั้นมาจากวันเกี่ยมะวามาละกุมมินนากีและไม่มีสําหรับสู่เจ้าที่จะปฏิเสธก็ไม่ได้ด้วยฉันไม่เอาอะรกเนี่ยไม่เอาไม่มีสิทธิ์ไป น, น, นี่เล่าเรื่องของมนุษย์หมดเลยฉะนั้นมนุษย์เนี่เป็นมัคลุกที่ดีที่สุดแล้วก็เลวที่สุดก็มนุษย์นี่แหละนะครับต่อมาอายะสุดท้ายนะครับฟาอินอัลรอดูฟามาอัลซาลนาอาไลฟามาอัลซาลนาก إن عليك إلا البلاغ وإن إذا أذقنا رح من رحمة ف ر ح ه ا بها وإن ت ِ ب ه م س ي ئ ة ت مما قدامات أيدهم فإن الإنسان كفور فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم ح ف ظ ا إن عليك إلا البلاغ وإن إذا أذقنا منا رحمة فليحبها وإن تسبهم س ي ئ ة ت بما قدام أيديهم ฝ่ายนั่ ا อินซานั้นละกัฟูนักกัฟูอัลฮัยะสุดท้ายนะครับฝ่าْนั้นอَราดูถ้าหากพวกเขาหันหลังใครที่หันหลังให้อัลลอฮ์ใครที่หันหลังให้กับสุนนะนบี ใครที่หันหลังให้กับคำสอนของอิสลามที่ผ่านนบีหรือผ่านกูรานสังเกต น, นะฟามาอารซัลนากะอัลลอมิได้ทรงนบีมาหาพวกท่านอัลลอฮไม่ได้แต่งตั้งนบีมาหาพวกท่าน เพื่อมาเฝ้ารักษาพวกท่านไม่ได้เนียดแบบนั้นไม่ไม่มีไม่จะส่งนบีมารักษาท่านเปล่าแต่ส่งนบีมาสอนให้นำเอาคำสอนของนบีนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวนันไม่ใช่มากราบนาบีไเตือนเราไม่ได้ส่งนบีมาเพื่อมารักษาดูแลท่านเปล่าให้ความรู้ผ่านนาบี ให้นบีมาสอนต่อมาครับอินอะกะอิลาบะลาหน้าที่ของนบีไม่ใช่อื่นใดนอกจากบากระบาราตับล็กอะมาทำหน้าที่สอนอย่างเดียวสอนศาสนาด้วยนะเอาความรู้ผ่านวะฮีมาสอนไม่ใช่คิดเอง คุรานะยะนายที่บอกว่านบีมันจะคิดเองว่ามาย่อมตีคุรานี่แหละคว่านบีไม่เคยใช้ความคิดตัวเองสอนทั้งหมดนั้นเป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดให้ยิบรีมาหานบีดังน้นอยดูถูกนบีไม่เอาสุนัขหนบีธรรมชาติทําไมไม่เรียนล่ะนบีทํำยังไงนบีทํำยังไงนบีเดินยังไงนบีกินข้าวยังไงมีซอบ้านหนบีอยู่คนหนึ่งชื่ออายุบ แดี๋ยวเรไปฟังนะไม่กินผักนี่เรื่องดุล ย, ยาแท้ๆเลยนะไม่กินผักแล้วก็นบีมาพักที่บ้านอายุวันที่ อ, อพยพจากมักกะมาที่ม ด, ดินาเนี่ยอยู่ประมาณหกหกเดือนนะแทนที่นบีจะสร้างบ้านตัวเองก่อนนี่นีทำเป็นแบบเอาไว้นะไม่ได้สร้างบ้านนาบีก่อนแต่สร้างอะไรก่อนมัสยิด สร้างมัสยิดก่อนก่อนที่จะสร้างบ้านเห็นยังแล้วพวกเราบนนี้เป็นไงกูห่วงบ้านกูมันห่วงสุราอยากเป็นกุมการกันไม่มีเป็นได้อะแต่ต้องรับผิดชอบดูแลมาซ่อมสุราดีไหมดีแต่ตัวเองต้องพาตัวเองมาสุราด้วยเพื่อให้มันเหมือนกับที่ท่านนาบีได้ให้รูปแบบไว้อัทีนี้ หน้าที่ของนบีอะไรมาตับเรื่อามาทำงานศาสน า, ศามาสอนแล้วก็เอาอักรากนาบีไปใชอ้อย่างนี้เป็นตน้นเอาต่อมาครับนี่เอาลเล่านะชีวิตมนุษย์เป็นอย่างนี้วัอินน่าแต่แท้จริงเราอิราอาซักนาะเมื่อเราให้เขาได้ลิมลิมรถรอมะลิมความสุขความสบาย มนุษย์ก็มีสองอย่างพบกับความลำบากแล้วก็พบกับความรนนี่เตือนนะอาซักนะรอมาเราให้เขาพบกับความสบายความสบายนี่ใครให้อาจายนี้สอนเนี่ยมาจากอัลลอ์ทั้งหมดสุขภาพแข็งแรงที่มาสู่เราได้เนี่ยอัลลอ์ให้นะแต่ต้องนึกนะนี่มันเป็นอะไรนะริสกีชั่วคราว เอากลับเมื่อไรก็ได้เนี่กําลังแข็งแรงเนี่ยใบยบใบนี่เอาถอดออกได้ไหมฉะนั้นเวลามีรอมามีความดีมีความเมตตาเนี่ยต้องนึกถึงใครก่อน อ, อัลลอฮ์มาใช่นึกถึงรอเก้าโอ้โหที่นั่นหมมวัยว้่งปัปับป๊บปับ๊ปลืมนึกถึงอลัลลอฮนะ์น่ะ เองต้องนึกถึง Allah, อัลลอฮ์ตลอดเวลาได้รับความสุขความสบายกลับไปบ้านเจอภรรยายิ้มแต่งตัวสวยต้องนึกนี่อัลลอ์ให้อ่ะมีอาหารอร่อยอร่อยวางอยู่อัลลอฮ์ให้ต้องนึกนะนี่อลัลลอ์เตือนอินนาอิด a อัลรักนาเมื่อเราให้เขาลิมมินนาจากเรารอห์มาตานความเมตตาฟาริฮาบิฮาเขาเบิกบานใจน มนุษย์คนที่ไม่มีอิสลามอยู่อย่างนี้เนละแฮปปี้จังเลยจะทำด้ดยละกาได้ไหมกล้าไม่ได้เอาลอให้ฉันไม่พูดอนะ่ะมันมันต้องนึกถึงซุนน่านะจนเวลาดีใจก็ททำไงครับอ้านบีสุลัยมานเดินอยู่ในป่าเนี่ยพอมดสั่งหัวหน้าหัวหน้ามดสั่งมดให้เข้ารู้บอกว่า สุไลมานนบิสไลมานจะเดินมามาเหยียบพวกเราเนะี่ยเข้ารู้ให้หมดอโล่ Allah, ให้อย่าหนึ่งให้ความรู้นบิสไลมารู้ภาษาหมดท่านสุูญเลยไงนีน่ตัวแบบแบบอย่างที่ดีนะ่ฉะนั้นเวลาได้รับร้อมาจาก Allah, อโล่ยาลืม Allah. โอโล่จนอโุ่สูญอ้าตมาครับว่าอินตุซิบะฮุมถ้าหาก พวกเขาพบกับพวกเขาซายย่ความชั่วเมื่อความชั่วมาถึงความลำบากความยากความจนเงินทองขาดแคลนแผ่นดินไหวน้ำท่วมบ้านไฟไหมแล้วก็ตามแต่เป็นมุสีบ้านนะเกิดขึ้นกับพวกเขานยนะบิมากอดมตไอดีิมบิมาแปลว่าเนื่องด้วย ไอ้ดีมือของเขากอดมัดได้ทำเอาไว้ก่อนแล้วได้ทำความชั่วก่อนหน้าเอาไว้แล้วไม่ได้เตาบ้าตัวต่อเลยนี่ผมได้วักนี้นี่นะเมื่อ20ปีที่แล้วผมไปส่งแขกคนหนึ่งขึ้นรถที่นี่หน้าวัทุ่งเนี่ยเป็นคนอารับเขาอ่านกฎ อ, อ, น, อญญนุญาตนี่บิมากอดมัดไอ้ดีผมก็ยืนฟัง น้ำมือของมนุษย์ที่ทำชั่วเอาไว้แล้วไม่ได้ตาบ้าตัตวบตอลัอลลอฮฺอัลลอฮก็ลงโทษบนดุญยาไปนี้ไม่รู้สึกตัวขณะถูกลงโทษอย่างไม่รู้สึกตัวเลยโอ้โหผมนั่งนึกผมจำแต่วันนั้นถึงวันนี้เลยนะอัลลอฮฺอัลบฉะนั้นความชั่วนี่เราสร้างเอาไว้เนะมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะ แล้มันเลยต่อบาตัวต่อรอน่ะคิดว่านมัสยิดห้าเวลาแล้วอเล็คคงละหมดเมื่อใครบอกอะเรามารอนผ่านมาแล้วอเละคเละหมดใครบอกคุณอะต้องต่อบาอะไรที่มันผิดต้องต่อบาตต่อบาตรตอบาต่อบาอย่างนี้เป็นต้นตัวรูว่าด้วยน้ํามือของมนุษย์นี่แหละเมื่อตอบาตรตัวเสร็จแล้วก็ต้องทาความดีเพิ่มด้วยนะ ไม่ใช่อัลตาวิรุลละแล้ก็ไม่มานามาดเหมือนเดิมนั่นแหละเราเงินมีไม่เคยบริจาคในค่ายเหมือนเดิมนั่นแหละแต่บาตัวแล้วตัศนิสัยไม่ได้เปลี่ยนน่ยมันต้องมามัสยิดเพิ่มขึ้นอ่านอลกุรอานเพิ่มขึ้นทำความดีเพิ่มขึ้นให้อภัยกับคนมากขึ้นมันต้องทำอะไรให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาต่อมาครับไฟนอลอินซานนี่อัลลอฮ์ล่าถุกสันดารมนุษย์นะดังนั้น อินสันแปล ว, ว่ามนุษย์ใช่ไหมกฟัฟรุนเนระคุณมนุษย์ที่เนระคุณต่อรอดทั้งๆ ท, ท, ที่เอาอากาศของอลอดหายใจเอาแผ่นดินอรอดเดินเอาบ้านอรอดไปใช้อ่ะเอาผู้หญิงของอรอดไปนอนกอดอยู่เนี่ยทำไมไม่ขอบคุณอรอดล่ะอย่างนีเป็นตัวโอ้อก็นี่นี่นนล่าเรื่องการเรื่องของมนุษย์ใช่ไหมเรื่องของเราหมดเลยฉะนั้น เรามีอิสลามเราก็ต้องเอาอิสลามนี่ไปสอนคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็สอนภรรยาเราตัวเราเองครอบครัวเราลูกเราให้อยนเนศาสนาพะวันนี้พูดเรื่องอาลีใช่ไหมครอบครัวของท่านนะ่ะมีปะมีนั่นต้องต้องขอรัอัต่อฮฺมิการหมดเวลากับสุภาณกัอลลอฮุมาวะเบฮมดิกะวลาอิลละอิลลอันตัสติรุกวะจุบะอิลลฮัมบิลล สโมอในบ้าน